พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ฟังธรรมเพื่อเพื่อให้ฟังเป็นกถาวัตุนะคือให้ฟังให้เห็นว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอ่ะเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษวิเวกหรือความสงัดเนี่ยนะปารบความเพียรฟังธรรมเพื่อศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนะก็คือฟังให้ให้รู้ว่าอะไรเป็นธรรมที่ควร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 พร้อมที่จะเป็นศัตรูกันทันทีพันความพอใจในหมู่สหธรร ม, มิกที่ปฏิบัติในลัทธิคําสอนของศาสด า, าที่ไม่เป็นสัพพัญญูนั้นจึงไม่ดีจริงไม่สามารถนําออกจากทุกไม่เหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นสัพพัญญูพระองค์มีพระปุพพจริยาคุณมีพระศรีระคุณมีพระพุทธคุณและพระองค์บําเพ็ญพุทธกิจทั้งทั้งหมู่เนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเจตนาดีแต่โง่เขลาไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ปรารถนาดีต่อคนอื่นแต่ใช้พฤติกรรมด้วยความโง่เขลาสมมติว่าแหมสงสารคนอื่นแล้วเกินเห็นคนอื่นกระหายน้ําก็เลยไปตัดเอาน้ําครามเนี่ยไปแจกคนอื่นดื่มที่มันประกอบด้วยเชื้อโรคอันนี้เขาเรียกว่าเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายมุ่งทําลายกันชัดๆแบบนั้นนะนะก็เหมือนกับว่าปรารถนาดีต่อคนอื่นรถเขาเสียก็เลยไปช่วยเรือเขาทั้งคันอย่างนั้นนะนะ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 พระพุทธคุณทั้งหลายเลื่อมใสในอรหันตคุณเป็นต้นของพระองค์อันนี้ประกาศว่าเราเลื่อมใสยอย่างที่หนึ่งถ้าจะเลื่อมใสก็ดูตามจูรัสสีมหาสีหนาสูตรเนี่ยจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราควรจะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเอาพระองค์เป็นผู้นำนะว่าพระองค์นั้นเรียกว่าบรรลือฐานนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโจกโจกก็คือหัวนําเป็นหัวหน้าเป็นผู้ที่พาเราข้ามออกจากวัฏทุกข์ คุณธรรมอันนั้นก็คืออรหันตคุณเป็นต้นก็อย่างที่เราสรรเสริญสักพักที่บอกว่าเป็นพระอารหันตไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถิที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้นำเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ข้ามออกจากทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะ